بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات ابن خ ط ا ب الإسلامية بالدمام تواصل معك أخي الكريم المصحف الشريف ل ل أ خ سعد الغامدي ا ل ش ر ي ق السادس ويحتوي على س و ر ت ي التوبة ويوسف ن ن ب د ا ل و ب ا ب و ت الطبا ب ن ب มดานียะมี129องค์กาสซึ่งถือว่าเป็นบทหนึ่งจากบทท้ายที่ได้ถูกประทานลงมาให้แก่ท้ารอสุลลอสลัลอละวะัลอัสนาท่านอิมามอัลบุคอรีได้บันทึกรายงานจากอัลบรารออิดนูฮาซิบว่าแท้จริงบทสุดท้ายที่ถูกประทานลงมาคือบทบรารออะหรือตาวะอัลฮัฟิดอิดนูกัซิร ได้รายงานว่าแท้จริงช่วงแรกของบทนี้ได้ถูกประทานลงมาให้แก่ท่านรอสูลอสสลลลฮุอะไลยุวาสละขณะที่ท่านกลับมาจากสงครามตะบุกะท่านได้แต่งตั้งให้อบูบักอัสซิดีกไปเป็นผู้นำในการประกอบพิธีหัจจ์ะท่านได้แต่งตั้งให้ท่านอาลีอิบนูอบบุอลิดเป็นผู้นำเอาหลักการต่างๆที่ได้ถูกประธานลงมาไปประกาศ แก่ชาวพัชบทนี้มีองค์ประกอบสำคัญขั้นพื้นฐานอยู่สองประการด้วยกันกล่าวคือประการแรกรายละเอียดของกฎหมายศาลาที่ใช้ปฏิบัติกับชาวยิวคริสต์และต่างศาสนิกประการที่สองให้เห็นถึงการเสียสละเพื่อทางขอ ง, ของลอโดยการยกทัพไปรบกับชาวโรมันสำหรับประการที่หนึ่งนั้น บทนี้ได้แจ้งให้ทราบถึงขอบเขตของสัญญาที่ทำขึ้นกับชาวยิวโดยเฉพาะสามเผ่าที่อยู่ ร, บรอบๆเมืองวันนี้นะคือเผ่าอันาตรีสเผ่ากูรอยซ์และเผ่าไบรลุกอซึ่งได้ทำผิดสัญญาอยู่เป็นประจำนั่นเองด้วยเหตุนี้สัญญาที่เคยมีอยู่ก็ขาดสะบั้นลงส่วนประการที่สองการยกทัพไปทำสงครามกับชาวโรมันนั้นเป็นสงครามใหญ่ ระยะทางไกลอากาศก็ร้อนจัดแต่ก็จำเป็นที่จะต้องยกทัพไปเพราะพวกโรมันรุกรานอยู่เรื่อยๆฉะนั้นการสงครามครั้งนี้ซึ่งเป็นการทดสอบความศรัทธาทดสอบจิตใจอันยิ่งใหญ่แต่ด้วยศรัทธาอันมั่นคงจึงได้รับการตอบรับจากบรรดามุสลิมเป็นอย่างดีโดยทั่วไปบทนี้มีชื่อเรียกหลายชื่อแต่ที่สาคัญที่สุดคือบทอัตเตาบ ซึ่งมีความหมายว่าการอภัยโทษนั่นเองเพราะในบทนี้จะมีการกล่าวถึงการอภัยความผิดให้แก่บางคนนี่คือประกาศการพ้นข้อผูกพันจากอัลลอฮและรอสูลของปลุแบบ่มแด่บรรดาผู้ที่สการะจเจวิต ชที่พวกเจ้าได้ทำสัญญาไว้ดังนั้นพวกเจ้าจงท่องเที่ยวไปในแผ่นดินเป็นเวลาสี่เดือนและพึนทราบเถิดว่าแท้จริงพวกเจ้านั้นมีใช่ผู้ที่จะทำให้อลล้อหมดความสามารถก็หาไม่ และแท้จริงอัลลอนั้นจะสรงให้ผู้ที่ปฏิเสธสัทธาทั้งหลายอับปย ไฟ่ทบตุมฟะฮว่า خير ุลลักุมไฟ่ทวัลเลตุมฟะลมูอันคุมไยร์มู ع จิบละลาฟาเบชริลลัมักฟรุดิอ ذ ลดาบิมนั่เป็นประกาศจากอัลลอห์และรอซูลของเขาแด่ประชาชนทั้งหลายในวันทัดอันยิ่งใหญ่ว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงพ้นข้อผูกพันกับชาวมุสลิมทั้งหลาย และรอศูนย์ของพระองค์ก็พ้นข้อผูกพันนั้นด้วยและหากพวกเจ้าสำนึกผิดและกลับตัวมันก็เป็นสิ่งดีแก่พวกเจ้าและหากพวกเจ้าขืนหลังให้ภพพึงรู้เถิดว่าแท้จริงพวกเจ้านั้นไม่ใช่ผู้ที่จะทําให้อลลอฮ์หมดความสามารถได้และจงแจ้งข่าวดีแกบ่บรรดาผู้ที่ปฏิปฏเสธศรัทธาเหล่านั้นด้วยเถิดด้วยการลงโทษอันเจ็บแสบ إلا الذين عهتتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهر عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين นอกจากบรรดาผู้สกธาละจเจวะมุชรีกีนที่พวกเจ้าได้ทำสัญญาไว้และพวกเขามิได้ผิดสัญญากับพวกเจ้าแต่อย่างใดและมิได้สนับสนุนผู้ใดต่อต้านพวกเจ้าดังนั้นจงให้ครบถ้วนแก่พวกเขาซึ่งสัญญาของพวกเขาจนถึงกำหนดเวลาของพวกเขาเถิดแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงชอบผู้ที่ยำเกรงทั้งหลาย فإذا سلخ الأشهر الحرم فقتلوا المشركيين حيث وجتموهم وخذوهم و ا ح ص ُ و ه م وقعدو لهم كل مرصد فإن تبو وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلو سبيلهم إن الله غفور رحيم. ท่านเมื่อบรรดาเดือนต้องห้ามเหล่านั้นได้ผ่านพ้นไปแล้วก็จงสังหารมุชริกเหล่านั้นณที่ใดก็ตามที่พวกเจ้าพบพวกเขาและจงจับพวกเขาและจงล้อมพวกเขาและจงนั่งสอดส่องพวกเขาทุกจุดที่สอดส่องได้แต่ถ้าพวกเขาสำนึกผิดและปฏิบัติละหมาดและชำระอากาศแล้วไซก็จงปล่อยพวกเขาไป ถ้าจริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมอว่าอินอะฮฺดุมมินะลมุชริกีนสตะจาร์รักฟาจิรฮห์ตาจิร์หกเขา ح ัลล س م ع ك ل มม الله ิ م أ د ل ر ะ ه ما منه ذلك بأنّهم قوم لا يعلمون แล้วว่ามีคนใดในหมู่มุสลิมได้ขอให้เจ้าครุงงร้งครอง ก็จงคุ้มครองเขาเถิดจนกว่าเขาจะได้ยินตำหรักของอัลลอ์แล้วจึงจัดส่งเขาไปยังที่ปลอดภัยของเขานั่นก็เพราะว่าเขาเป็นกลุ่มชนที่ไม่รู้ใคะกลิลมุชริกีนฮ์ดุนอินดัลลอฮีวยินดัรัสูลีอิลัลลัลลิณ่าฮ์ตุมอิลัลลัลลิณ่าฮ์ตุมอินดัลมัสจีิลฮรม จะเป็นไปได้อย่างไรแก่มุสริกีนที่จะมีสัญญาใดๆนะที่อัลลอ์และที่รอซูลของพระองค์ได้นอกจากบรรดาผู้ที่พวกเจ้าได้ทำสัญญาไว้ที่มัสยิดฮะรอเท่านั้นดังนั้นตราบใดที่พวกเขาเที่ยงทรต่อพวกเจ้าพวกเจ้าจงเที่ยงทรต่อพวกเขา แทจริงอัลล์นั้นทรงชอบบรรดาผู้ที่มีความยำเกรงจะมีสัญญาใดอีกอย่างไรเล่าหากพวกเขามีชัยชนะเหนือพวกเจ้า พวกเขาก็ไม่คำเนึงถึงเคลื่อญาติและพันธะสัญญาใดๆในหมู่พวกเจ้าพวกเขาทำให้พวกเจ้าพึงพอใจด้วยลมปากของพวกเขาเท่านั้นโดยที่หัวใจของพวกเขาปฏิเสธและพวกเขาส่วนมากนั้นเป็นผู้ละเมิด إِنَّهُمْ سَاءَ مَا ك َ ا ن و ا ي ع م ل و ن พวกเขาได้เอาบรรดาองค์การขอละแลกเปลี่ยนกับราคาอันเล็กน้อยแล้วก็ขัดขวางทุกคนให้ออกจากทางขอละแท้จริงพวกเขานั้นสิ่งที่พวกเขาทําอยู่ช่างชั่วชาจจริง لَا يَرْطُبُونَ تِي مُؤْمِنٍ إِنْ لَا وَلَا ذ ِ م َ ah. วพวกเขาจะไม่คำนึงถึงเครือญาติหรือพันธะสัญญากับผู้ศรัทธาคนหนึ่งคนใดและชนเหล่านี้แหละคือผู้ละเมิดใ่เอตบูอลกามุสซาลัตแวะตอุลซักะต์ใ่เวานุกุมฟิดีนววนุทัศนุลอายาติลิควอมีย์อัลลมูุน แล้วหาพวกเขาสำนึกผิดและปฏิบัติละหมาดและชำระจากาศแล้วใส้ก็ถือว่าเป็นพี่น้องของพวกเจ้าในาศาสนาและเราจะแจงบรรดาองค์การไว้ให้แก่กลุ่มชนที่อยากรู้ และถ้าหาพวกเขาทำลายคำมั่นสัญญาของพวกเขาหลังจากที่ได้ทำสัญญาไว้และใส่ร้ายต่อศาสนาของพวกเจ้าแล้วซส่ก็จงต่อสู้กับบรรดาผู้นำแห่งการปฏิเสธสัาเถิดแพ้จริงพวกเขานั้นหาได้มีคำมั่นสัญญา ใ, ใดๆไม่ ألا تقاتلون قوما ك ث ا أي ما َ ه م وهم بإخراج الرسول وهم بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أ و ل من الله أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إنكم ت مؤمنين พวกเจ้าจะไม่ต่อสู้กระนั้นหรือกับกลุ่มชนที่ทำลายคำมั่นสัญญาของพวกเขาและมุ่งไล่รอซูลให้ออกไปทั้งๆั้งที่พวกเขาได้เริ่มปฏิบัติแก่พวกเจ้าก่อนเป็นครั้งแรกพวกเจ้ากลัวพวกเขากระนั้นหรืออลัลลอฮ์ตังหากคือผู้ที่สมควรแก่การที่พวกเจ้าจะกลัวหาพวกเจ้าเป็นผู้สภา พวกเจ้าตรงต่อสู้พวกเขาเถิดเอลอจะทรงลงโทษพวกเขาด้วยมือของพวกเจ้าและจะทรงหยามพวกเขาและจะทรงช่วยเหลือพวกเจ้าให้ได้รับชัยชนะเหนือพวกเขาและจะทรงบำบัดหัวอกของกลุ่มชนที่สะท่าทั้งหลายบ และจะส่งให้หมดไปซึ่งความกริ้วโกรธแห่งหัวใจของพวกเขาแล้วล้อนั้นจะส่งอภัยโทษแก่ผู้ที่โปรง่งสมประสงค์และล้อนั้นคือผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงปริชายางอล้วจะส่งใมดไปซึ่งกวามกริ้วโกรธแห่หัวใจของพวกเขา َلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ وَلَمْ اللَّهِ مِنْكُمْ يَتَّخِدُوا جَاهَدُوا رَسُولِهِ دُونِ وَلَا وَلَا وَلِيْجَهِ تَعْمَرُونَ قَبِيرٌ หรือพวกเจ้าคิดว่าจะถูกปล่อยไว้โดยที่อัลลอฮฺยังไม่ทรงรู้บรรดาผู้ที่ต่อสู้ในหมู่พวกเจ้า และไม่ได้ยิดถือเพื่อนสนิทอื่นจากอัลล่ะและรอศูนของพรุ่มและอื่นจากผู้สธาทั้งหลายและอัลล่อนั้นทรงรอบรู้อย่างดียิ่งในสิ่งที่พวกเจ้ากระทํามาคานลิลมชริกีนไอนยยมรูมสาจิดัลล้าชาฮิดีนอาลาอันคุสหินบิลกฟรอุลา ไม่บังควรแก่ผู้ที่สักการะเจวิตทั้งหลายที่จะบุรณะบรรดามสิบของอัลลอฮ์ในฐานะที่พวกเขายืนยันแก่ตัวของพวกเขาเองแล้วซึ่งการปฏิเสธศรัทธาชนเหล่านี้แหละบรรดาการงานของพวกเขาจะไร้ผลและในนรกนั้นพวกเขาจะคงอยู่ตลอดกาล إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وأقام الصلاة وأك الزكاة ولم ي خ ش َ إلا الله فعسى أولئك أي يكون من ا ل م ُ ح ت ر ي ن ك ทจ ت ََ่ะบูรณะมัَยิดของ คือผู้ที่สภาต่ออัลล์และวันปรอโลกและได้ปฏิบัติละหมาดและชำระจากาศและเขาไม่ได้ยำเพลงนอกจากอัลลอ์เท่านั้นแต่นั้นจึงหวังได้ว่าชนเหล่านี้แหละจะเป็นผู้ที่อยู่ในหมู่ผู้รับนะทายทัจะอมรมสรมมน มมมัันนนออาบบิิิิิววววลลลลลยยดดดสพวกเจ้าได้ถือเอาการให้น้ำดื่มแก่ผู้ที่ประกอบพิธีฮัตและการบูรณะมัสยิดฮะรอดังที่ผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และวันประโรคและต่อสู้ในทางของอัลลอฮ์กระดานหรือ เขาเหล่านั้นย่อมไม่เท่าเทียมกันณนที่อัลลอฮ์และอัลลอ์นั้นจะไม่ทรงให้ทานนำแกกลุ่มชนที่อาธมอลเลดีนอาเมนวะฮจวะจัดูฟีซบลิลลาฮิบิอัมวาริหิมบิอัมวาริหิมวะนัสซิหิมอักรมดารจตันอิลลัลลอฮวะอุลัยกุมุลฟาอิซู บรรดาผู้ที่ศรัทธาและอพยพและต่อสู้ในทางของล้อด้วยทรัพย์สินของพวกเขาและชีวิตของพวกเขานั้นย่อมเป็นผู้ที่มีระดับชั้นที่ยิ่งใหญ่กว่าหน้าที่ล้อและชนเหล่านี้แหละคือผู้มีชัยชนะยุบรม uh ล um พระผู้ยบาลของพวกเขาสรงแจ้งข่าวดีแก่พวกเขาด้วยความเมตตาจากพระองค์และได้ความปิิยินดีและสวนสวรรค์ด้วยซึ่งในสวนสวรรค์ น, นั้นพวกเขาจะรับความสุขอันเหลีงยัง่งยื น, ออน ล, ลด อ, นอด يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن ن استحبوا الكفر على الإيمان و م ن ي ت َ و ل ّ ه ُ م مِن โอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายจงอย่าได้ถือเอาบีดาของพวกเจ้าและพี่น้องของพวกเจ้าเป็นมิตรหากพวกเขาชอบการปฏิเสธศรัทธาเหนือการศรัทธาและถ้าบุไดในบูพวกเจ้าให้พวกเขาเป็นมิตรแล้วชนเหล่านี้แหละคือผู้อธรรม قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم و أ ز و ا ج ُ ك م وعشيرتكم وأموال وأموال ن ق ت ر ف ت م و ه ا وتجارت تخشون ك س َ ه ا ومساكن ومساكن تفضونها أحب إليكم من الله อับบมมในัลลอฮะ رسوله وجهاد في سبيله ف ت ر د, د ّ و ا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي قوم الفاسقين งกล่าวเถิดมัมมัดว่าบรรดาบิดาของพวกเจ้าและบรรดาลูกๆของพวกเจ้าและบรรดาพี่น้องของพวกเจ้าและบรรดาผู้ครองของพวกเจ้า และบรรดาญาติของพวกเจ้าและบรรดาทรัพสมบัติที่พวกเจ้าสแสวงหาไว้และการค้าที่พวกเจ้ากลัวว่าจะจำหน่ายมันไม่ออกและบรรดาที่หลัวัสที่พวกเจ้าพึงพอใจนั้นเป็นที่รักใคร่แก่พวกเจ้ายิ่งกว่าละและรอศูนย์ของโปร่งและการต่อสู้ในอุทามของโปร่งแล้วใสก็จงรอคอยเถิดจนกว่าลอจะทรงนำมาซึ่งคำสั่งของโร่งและลอะนั้นจะไม่ทรงให้ทางนำ لقد نصركم الله في مواطن كثير ف ه ويوم حنين ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم ت غ م ع ن ك م شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبتم وليتم مذبين ر ถ้าจึงอลอรได้ส่งช่วยเหลือพวกเจ้าแล้วในสนามรบหลายแห่และในวันสมมรภูมิคู่หนด้วยขณะที่จำนวนมากของพวกเจ้าทำให้พวกเจ้าพึงพอใจแล้วมันก็ไม่ได้อำนวยประโยชน์แก่พวกเจ้าแต่อย่างใดและแผ่นดินก็ครับแค่แก่พวกเจ้า ท, ท, ทั้งทั้งที่มันกว้างอยู่แล้วพวกเจ้าก็หันหลังหนี แล้วเราก็ได้สรงประธานความสงบสติจากพระองค์ลงมาให้แก่รอซูลของพระองค์และแก่บรรดาผู้สภาเหล่านั้น และได้ส่งให้ไพร่พลลงมาซึ่งพวกเจ้ามองไม่เห็นพวกเขาและได้ทรงลงโทษบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาเหล่านั้นและนั่นคือการตอบแทนแก่บรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาและหลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงอภัยโทษให้แก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ لأن لا يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام هذا وإن خ ف ت ُ م ع ي ن ة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء ออ al อิลุมพวกผู้พรัทธาทั้งหลายแท้จริงบรรดามุสลิกนั้นโสมมดังนั้นพวกเขาจงอย่าทกใกล้มัสยิดฮะรอหลังจากปีของพวกเขาและหากพวกเจ้ากลัวความยากจนอัลลอฮ์ก็จะส่งให้พวกเจ้ามั่งมีด้วยความโปรดปรานของพระองค์หากพระองค์ทรงประสงค์แท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงปริชายา قانِلُ الَّذينَ لا يُؤمنونَ باللهِ وَلا بِاليومِ ا ل آ خ ِ ر ِ وَلا وَلا يُحرِّمونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسولُهُ وَلا يَدينُونَ دينَ الحَقِّ مِنَ الَّذينَ أُوتُوا الكِتابَ حَتَّى ح َ ي ُ ع ط و الْجِزيةَ ع َ ي َِ د وَهمْ صَاغرونَ พวกเจ้าจงต่อสู้กับบรรดาผู้ที่ไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และวันพะโรโลกและไม่งดเว้นสิ่งที่อัลลอฮ์และราซูลของพระองค์ห้ามไว้และไม่ปฏิบัติตามศาสนาแห่งความสักจั์ิอันได้แก่บรรดาผู้ที่รับคำภีจนกว่าพวกเขาจะจ่ายอัลยิสยาจากมือของพวกเขาเองในสภาพที่พวกเขาเป็นผู้ต้อยต่ำวาเยย และชาวยิวได้กล่าวว่าอูดาเป็นบุตรของอัลลอฮ์และชาวคริสต์ก็ได้กล่าวว่าอัลมาซีเป็นบุตรของอัลลอฮ์ นั่นคือถ้คําที่พวกเขากล่าวขึ้นด้วยปากของพวกเขาเองซึ่งคล้ายกับถ้อยคาของบปดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธามาก่อนขอเราสงสารแช่นพวกเขาด้วยเถิดพวกเขาถูกให้หันเหออกจากความจริงไปได้อย่างไร พวกเขาได้ยึดเอาบรรดานักปราชของพวกเขาและบรรดาบาทหลวงของพวกเขาเป็นพระเจ้าอื่นจากฮะล็อ และยึดเอาอัลมาซีบุตรของมารยำเป็นพระเจ้าด้วยทั้งๆที่พวกเขาไม่ได้ถูกใช้นอกจากเพื่อการเคารพภักดีพระเจ้าเพียงอมบิลซึ่งไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระเท่านั้นพรงทรงบริสุทธิ์จากสิ่งที่พวกเขาให้มีภาีขึ้น พวกเขาต้องการที่จะดับแสงสว่างของล้อด้วยปากของพวกเขาและล้อนั้นไม่ทรงยินยอมนอกจากให้แสงสว่างของพระองค์สมบูรณ์เท่านั้นและแม้ว่าบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาจะไม่ชอบก็ตาม พระ อ, อ, องค์คือผู้ที่ทรงาศาสนาทูตของพระองค์มาพร้อมอด้วยฐานะและาศาสนาแห่งสัจจะเพื่อที่จะทรงให้าศาสนาแห่งสัจจะนั้นปรากฏเหนือทุกาศาสนา <تصفيق> يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله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 ให้ออกจากทางของละและบรรดาผู้ที่สะสมทองและเงินโดยไม่จ่ายมันไปในทางของลอทจงแจ้งข่าวดีแก่พวกเขาเถิดด้วยการลงโทษอันเจ็บแสยยุะ่ uh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 إ ن ع ِ د َ ة َ ا ل ش ه و ر ِ ع ِ د َ ا ل ل ه ِ ا ث ن ع ش ر ش َ ه ر ا ا ث ن َ ع ش َ ر ش َ ه ر ا فِي كِتَابِ ا ل ل ه ِ يَوْمَ خَلَقَ ا ل س م ا و ا ت و َ ا ل أ َ ر ْ ض م ِ ن ه ا أ َ ر ب َ ع ة ٌ ح ُ ر م ذ َ ل ك َ ا ل د ّ ي ن ا ل ق َ ي م ف َ ل ا ت َ ظ ل م م ُ ف ي ه ِ ن أ َ ن ف س ك ُ م แท้จริงจำนวนเดือ น, น้ะที่อัลลอ์นั้นมี12เดือนดังปรากฏอยู่ในคัมภีร์คือแผ่นบันทึกของอัลลอฮ์ตั้งแต่วันที่ปรุงทรงสร้างบรรดาชั้นฟ้า และแผ่นจากจำนวนเดือนเหล่านั้นมีอยู่สี่เดือนซึ่งเป็นเดือนที่ต้องหา้ามนั่นคือบรรติอันทิมตรงดังนั้นพวกเจ้าจงยาอาธรรมแก่ตัวของพวกเจ้าเองในเดือนเหล่านั้นและจงต่อสู้กับบรรดามุสลิมทั้งหมดเช่นเดียวกับที่พวกเขากำลังต่อสู้กับพวกเจ้าอยู่ทั้งหมดและพึงทราบเกิดว่าแท้จริยลอ้ น, นั้นทรงอยู่ร่วมกับบรรดาผู้ยังเกรย إن من ا ا نسي زيادة في الكفر يضل به الذي ن ك ف ر و ا يحلونه ع ا م ا ويحرمونه ع ا م ا ل يواطئ ليواطئ عدة ما حرم الله فيحل و ا ما حرم الله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 โอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลาย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 เล็กถ้าหากพวกเจ้าไม่ออกไปพระองค์ก็จะส่งลงโทษพวกเจ้าอย่างเจ็บปวดและจะส่งให้พวกหนึ่งอื่นจากพวกเจ้ามาแทน และพวกเจ้าจะไม่สามารถกออความเดือดร้อนให้แก่พระองค์ได้แต่อย่างใดและอัลลอ์นั้นทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่ง إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله س ك ل ت ه عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا ا ل س ف ل ى و كلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم ถ้าพวกเจ้าไม่ช่วยเขาก็แท้จริงอัลลอฮ์ก็ได้ส่งช่วยเหลือเขามาแล้วขณะที่บรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาได้ขับไล่เขาออกไปโดยที่เขาเป็นคนที่สองในสองขดขณะที่ทั้งสองอยู่ในถ้ำนั้นคือขณะที่เขาได้กล่าวแก่สหายเขาว่าเจ้าอย่าเสียใจแท้จริงอัลลอฮ์ทรงอยู่กับเราแล้วอัลลอฮ์ทรงประทานความสงบใจจากพระองค์ลงมาให้แก่เขา และได้ทรงสนับสนุนพวกเขาด้วยบรรดาไพร่หผลซึ่งพวกเจ้ามองไม่เห็นพวกเขาและได้ทรงให้คําพูดของผู้ปฏิเสธสภาอยู่ในระดับต่ําสุดและพจนานุของอลัลลอน้นเป็นพจนานที่สูงสุดและอลัลลอฮฺคือผู้ทรงเดชานุภาพผูพ้ทรงปริชาญาเออุตวูดบม ว่าจ اه ดูบี่อำวารคุมว أ ันฟุศิคุมภีสดีลิลล้าดาลิกุมอยรุลล كم อินคุณคุมต่อลมูนพวกเจ้าจ้ อ, ออกไปเถินทั้งผู้ที่มีสภาพว่องไหวและผู้ที่มีสภาพเชื่องชาและจงเสียสละทั้งรักษ์ของพวกเจ้าและชีวิตของพวกเจ้าในหวนทางของ Allah นั่นแหละคือสิ่งที่ดียิ่งสำหรับพวกเจ้าหากพวกเจ้ารู كان ้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 จะไม่ขออนุมัตต่อเจ้าในการที่พวกเขาจะเสียสละด้วยซักของพวกเขาและชีวิตของพวกเขาและอัลลอฮ์นั้นทรงรับรู้ถึงบรรดาผู้ที่ยังเคร่งแท้จริงที่จะขออนุมาตต่อเจ้านั้น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 เจ้าจงนั่งอยู่กับผู้ที่นั่งทั้งหลายเถอดแล้ว خرجوا فيكم ما زادوكم ل ا خبلا ولا و ض ع و ا خلا لكم ي غ و ن ك م ا ل ف ت ن وفيكم سمعون لهم والله عليم بالظالمين หากว่าพวกเขาออกไปในหมู่พวกเจ้าแล้วไม่มีอะไรไดีขึ้นแก่พวกเจ้านอกจากความเสียหายเท่านั้น และแน่นอนพวกเขาก็ย่อมเวยโอกาสยุแยระหว่างพวกเจ้าโดยปราถนาให้เกิดความวุ่นวายแก่พวกเจ้าและในหมู่พวกเจ้านั้นก็มีพวกที่รับฟังพวกเขาอยู่และอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงรู้ดีถึงผู้อาธรรมทั้งหลายลาล น, นิลลละูอ ลลแท้จริงพวกเขาได้สแสวงหาความวุ่นวายมาก่อนแล้วและวางแผนต่างๆ น, นานาเพื่อต่อต้านเจ้าจนกระทั่งความจริงได้มาและพระบัญชาของอัลลอฮ์นั้นได้ปรากฏขึ้นทั้งๆ ท, ที่พวกเขาไม่พอใจ م م และในหมู่พวกเขาพวกกับกลอกนั้นมีผู้ที่กล่าวว่าจงอนุมัติแก่ฉันไม่ต้องออกไปสงครามเถอะและจงหยายฉันตกอยู่ในการทำความชั่วเลย พึงรู้เถิดว่าพวกเขาได้ตกอยู่ในการทำความชั่วดนั้นแล้วและถ้าจริงนรกยันนำนั้นลอ้อมบรรดาผู้ที่ปฏิเสธสภาอยู่แล้วหาวกคว า, ค, วาความดีได้ได้ประสบแก่เจ้า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 ววลัินนะมมซึ่งกลาวเดมุว่ามดว่าจะไม่ประสบแกเราเป็นอันขาดนอกจากสิ่งที่ลร์ได้ทรงกำหนดไว้แกเราเท่านั้นซึ่งพระองค์เป็นผู้ครุ่งครองเราและแด่ลอร์ AH เท่านั้นผู้ศรัทธาทั้งหลายจงมอบหมายเถิส إ إ ดสนย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 ที่ดีเยี่ยมเท่านั้นแต่เราก็จะคอยดูพวกเจ้าในการที่อลัลลอฮ์จะทรงให้ประสบแก่พวกเจ้าด้วยการลงโทษที่มาจากพระองค์หรือด้วยมือของพวกเราดังนั้นพวกเจ้าจงคอยดูไปเถอะแท้จริงพวกเราก็จะเป็นผู้คอยดูพร้อมกับพวกเจ้าออัด้ ق ق วย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 อกคไม่มีสิ่งใดขัดขวางพวกเขาที่สิ่งบริจาคจะไม่ถูกลับจากพวกเขานอกจากพวกเขาปฏิเสธศรัทธาต่อเราและต่อรอศูลของพรุงเท่านั้น และพวกเขาจะไม่มาละหมาดนอกจากในสภาพเกียกรตคร้านและพวกเขาจะไม่บริจาคนอกจากในสภาพไม่เต็มใจ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 แต่ถ้าว่าพวกเขานั้นคือพวกที่หวาดกลัวตดด่างหากหากพวกเขาพบที่ทักพิงหรือถ้ำหรือโมงแน่นอนพวกเขาก็จะหันไปหาหมัดโดยที่พวกเขาจะไปอย่างรีบด่ ว, วนหากพวกเขามิจมูกับศีลธกร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 <تصفيق> ولو أنهم رضوا ما أتاهم الله ورسوله وقالوا وقالوا حسبنا الله سيؤثين الله من تضله ورسوله إن إلى الله راضون. และหากพวกเขา يندي تا سين الذي أ ر َ س و ل ه من برون، ไดَแกَพวกเขา และกล่าวว่าลอ้นลลนั้นทรงให้พอเพียงแก่เราแล้วโดยที่ลอ้นลลจะทรงประทานความโปรดปรานของพระองค์แก่พวกเราและรอศูนของพระองค์ก็จะให้ด้วยแทย้จริงลอ้นเท่านั้นพวกเราเป็นผู้วิงวอนขออินนาลัสดกาตุลิลฟุคราอิวะลมาซักินวะลอาลินารย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 อ ل ลอด خير لكم يؤمن بالله و يؤمن للمؤمنين يؤمن بالله و يؤمن للمؤمنين و رحمة للذين آمنوا منكم و الذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم และในบูพวกเขานั้นมีบรรดาผู้ที่ก่อความเดือดร้อนแกน่นบีโดยที่พวกเขากล่าวว่า เขาคือหูจงกลา่าวเถิดมูหมัดว่าเป็นหูแห่งความดีสำหรับพวกเจ้าโดยที่ศรัทธาต่ออัลลอน์และเชื่อถือต่อผู้ศรัทธาทั้งหลายและเป็นการเอ็นดูเมตตาแก่บรรดาผู้ศรัทธาในหนูพวกเจ้าและบรรดาผู้ที่ก่อความเดือดร้อนแก่รอัออลลอฮ์นั้นพวกเขาจะได้รับการลงโทษอันเจ็บปวด พวกเขาสาบานแค่ต่อหลอกแก่พวกเจ้าเพื่อที่จะให้พวกเจ้าพอใจแต่หลอกและหล่อซูลของปรุงนั้นเป็นผู้ที่สมควรยิ่งกว่าที่พวกเขาจะทำให้พึงพอใจหากพวกเขาเป็นผู้ศรัมธา ال พวกเขาไม่ได้รู้ดอกหรือ ว, ว่าแท้จริงผู้ใดที่ฝ่าฝืนอัลลอฮ์และรอชูนของพระ อ, องค์แน่นอนสำหรับเขานั้นคือไฟนรกยานน้นโดยที่เขาจะอยู่ในนั้นตลอดกาล นั่นแหละคือความอัภยอันใหญ่ดลวงยัจจะุอุลมุนาฟิกุนทุนั้ลอะลัยมสรุตุนับหุบมาฟิคุลูบิห์มุลิสต์ฮซอุอินนัลลอฮมุคริจุมมาทัดะรนบรรดาพวกมุนาฟิกหรือพวกกลับกอกนั้นวันใคว่า จะมีอันกุรานบทหนึ่งถูกประทานลงมาแก่พวกเขาซึ่งแจ้งให้พวกเขาทราบถึงสิ่งที่อยู่ในใจของพวกเขาจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าพวกเจ้าจงเยอะหยันกันไปเถิดแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงให้สิ่งที่พวกเจ้าวันเกรงนั้นปรากฏออกมาว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 หากเราจะไพรโทษให้แก่กลุ่มหนึ่งในหมูม่พวกเจ้าเราก็จะลงโทษอีกกลุ่มหนึง่งเพราะว่าพวกเขาเป็นผู้กระทำความผิด Ah um บรรดาผู้กลับกล อ, อกชายและบรรดาผู้กลับกร อ, อกหญิงนั้นบางส่วนของพวกเขาต่างมาจากอีกบางส่วนซึ่งพวกเขาจะใชใ้ทำในสิ่งที่ไม่ดีและห้ามปราบในสิ่งที่ดีและกำมือของพวกเขาไว้โดยที่พวกเขาลืมเอาโละและพ ร, ระองค์ก็ทรงลืมพวกเขาแท้จริงบรรดาผู้กลับกล อ, อกนั้นคือคนชั่ว َعَادَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاصِ وَالْكُفَّارِ َالْكُفَّارَنَارَ جَهَنَّمَ فِيهَا َحَسْبُهُمْ وَلَعَلَهُمُ عَذَابٌ Allah ได้ทรงสัญญาลงโทษจะบรรดาผู้กลับกรอกชายและบดาผู้กลับกรอกหญิงและผู้ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลาย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 ไม่ได้มาอย่างพวกเขาเดอกหรือข่าวคร า, าวของบรรดาผู้ที่อยู่ก่อนหน้าพวกเขาคือกลุ่มชนของงุชและของอาจและของสมุดและกลุ่มชนของอิบรอรีนและชาวมัดยา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 وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن ق ي ب ة ومساكن قريبة في جنات عدن อริษวนุม่มจากอัลลอฮ์อัลกับร์นั่นคือการา de, ส่งสัญญาแก่บรรดาผู้ศรัทธาชายและบรรดาผู้ศรัทธาหญิงว่าจะได้รับสวนสวรรค์ซึ่งมีแม่น้ำหลายสายอยู่เบื้องล่างโดยที่พวกเขาจะคงอยู่ในนั้นตลอดกาลและสถานที่บำนักอย่างดีซึ่งอยู่ในสวนสวรรค์อันสถาพรและความกิติยินดีจากอัลลอฮ์นั้นยิ่งใหญ่กว่านั่นคือ เจ้าน้าอันบเกยมโอ้นบีจงต่อสู้กับบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาและบรรดาผู้กับกรอบบุญนาสิกีิและจงเด็ดขาดแก่พวกเขา และที่อยู่ของพวกเขานั่นคือนรกยันนำซึ่งเป็นที่กลับไปอันชั่วร้ายยาาาามมาิ่ง وما نقموا إلا أن أ غ ن ا ه م الله ورسوله من ص ب ل ِ فإيت بويك خير لهم وإيت و َ ل ّ و ي ع ذ ب ه م الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض موليه ولا نصير พวกเขาจะสาบานต่อเราว่าพวกเขาไม่ได้พูดแท้จริงนั้นพวกเขาได้พูดถ้อยคําที่เป็นการปฏิเสธการศรัทธาและพวกเขาได้ปฏิเสธการศรัทธาแล้วหลังจากที่พวกเขาเป็นมุสลิมและพวกเขามุ่งกระทําในสิ่งที่พวกเขาไม่ได้รับผลและพวกเขาไม่ได้ปฏิเสธและจงเกลียดจงชังนอกจากว่าอัลลอฮ์และหอลอดสูญของปรุงได้ทรงให้พวกเขามั่งขั่งขึ้นจากความโปรกลาหลของปรุง และหาพวกเขาสำนึกผิดกลับเนื้อกลับตัวก็เป็นสิ่งดีแก่พวกเขาและหาพวกเขาผินหลังให้อลลอฮก็จะลงโทษพวกเขาอยา่างเจ็บแสกทั้งในโลกนี้และฟโรโลกและพวกเขาก็ไม่ได้มีผู้คุ้มครองและผู้ช่วยเหลือใดๆในแผ่น ว่ามีผู้นั้นอَห์ดัลลอฮ์แล้วَินอาตَนาไม่ฟ่ำลิแล้วเราไม่ได้รับความจริงและในหมู่เขานั้นมีผู้ที่ได้สัญญาแก่อลลอฮ์ว่าถ้าหากปรุงได้ทรงประทานส่วนหนึ่งจากความโปรดปรานของปรงุงแก่พวกเราแล้วไซแน่นอนเหลือเกิดพวกเราจะบริจาคทานและแน่นอนยิ่ง พวกเราจะอยู่ในนนมู่คดีั้เมื่อพระองค์ได้ทรงประทานส่วนหนึ่งจากความโปรดปรานของพระองค์ให้แก่พวกเขาพวกเขาก็ตะหนิในส่วนนั้นและได้ผินหลังให้โดยที่พวกเขาเป็นผู้ผินหลังให้อยู่แล้ว แล้วพระองค์ <c oughs> ก็ได้ส่งให้การกลับกรอกในหะัวใจของพวกเขาเป็นผลลัพธ์แก่พวกเขาจนกระทั่งถึงวันที่พวกเขาจะพบพระองค์ นื่่องจาากการทีพวกเขาบิพไม่อวสิ่งทีพกเขาได้ญญไรู้ดอกรู้ ว, ว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงรู้ความเร้นลับของพวกเขาและการพูดซุบซิบของพวกเขา แต่แท้จริงลองนั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้สิ่งเล่นลับทั้งหลายผู้ที่ต้อหลีกบรรดาผู้ที่สมัครใจาจากหมู่ศรัทธาในการบริจาคทาน และก็มีผู้ที่ไม่พบสิ่งใดจะบริจาคนอกจากค่าแรงอเล็กน้อยของพวกเขาแล้วเย้ยหยันพวกเขานั้นเราได้ส่งเย้ยหยันพวกเขาและสำหรับพวกเขานั้นจะรับการลงโทษอันเจ็บปวดอิสตอิร์ลฮุมอาล่าต์อิสตอฟิรลฮุมอิ์อิสตอฟิรลฮุม70มรณะฟลายอูฟิร์อัลลุลฮุม ذلك ์ بأنّهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القومَ ا ل ف ا س ق ي ن เจ้าจงขออภัยให้แก่พวกเขาหรือไม่ก็จงอย่าอภัยโทษให้แก่พวกเขาหากพวกเจ้าขออภัยโทษให้แก่พวกเขาเจ็ดสิบครั้งอลละก็จะไม่ทรงอภัยให้แก่พวกเขาเป็นอันขาดนั่นก็เพราะว่าพวกเขาได้ปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮ์และรอซูลขององค์ แล้วล้นั้นจะไม่สรงให้ทางนำแก่กลุ่มชนที่ชั่ว。أم ال, ال ح บันดาบผู้ที่ถูกปล่อยให้อยู่เบื้องหลังนั้นดีใจในการที่พวกเขานั่งอยู่เบื้องหลังของเราสูงของอลัลลอฮและพวกเขาเกลียดในการที่พวกเขาจะต่อสู้ในทรัพย์ของพวกเขาและชีวิตของเขาในหนทางของอลัลลอฮและพวกเขากล่าวว่าพวกเจ้าจงยาออกไปในความร้อนเลย จงกล่าวเกิดมูฮัมหมัดว่าไฟนรกยันนำนั้นร้อนแรงยิ่งกว่าหากพวกเขาเข้าใจยบววย บ, วบาายพวกเขาจงหัวเราะน้อยๆและจงร้องไห้มากๆเถิดทั้งนี้ เป็นการตอบแทนตามที่พวกเขาผลควายเอาไว้ าา ال หาก Allah อสอ่งให้พวกเจ้ากลับไปยังกลุ่มหนึ่งในหมู่พวกเขาและพวกเขาจะขออนุ ม, มัติเจ้าเพื่อออกไปก็จงกล่าวเริดว่าพวกเจ้าจะไม่ได้ออกไปกับฉันตลอดกาลและจะไม่ต่อสู้ศัตรูใดๆร่วมกับฉันเป็นอันขาดแท้จริง พวกเจ้าพอใจกับการนั่งอยู่ตั้งแต่แรกแล้วดังนั้นจะนั่งอยู่กับผู้ที่อยู่เบื้องหลังต่อไปเถวะลาอัสลีอลฮะิมินฮุมมาแบดวละตะุมอลกบรอินนเรูบิลลาวรูวะมาตูวะฮุมฟาิกูนเจ้าจงอยาละหมาดให้แก่คนใดในหมู่พวกเขาที่ตายไปเป็นอันขาด และจงอย่ายืนอยู่ที่หลุมฝังศพของเขาด้วยแท้จริงพวกเขานั้นได้ปฏิเสธศรัทธาต่อลอและรอศูนย์ของพระองค์และพวกเขาได้ตายลงขณะที่พวกเขาเป็นผู้ละเมิดวะลาตูอัจญิบก็อนนมวะลุม وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبه بها الدنيا وتزهق أ ف س ه م وهم كافرون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 และเมื่อมีอัลกุรอานบทใดถูกประทานลงมาพวกเจ้าจงศรัทธาต่อเล่าเถิดและจงต่อสู้ในทรัพย์สินและชีวิตร่วมกับราศูนย์ของพระองค์ผู้ที่มั่งคั่งในหมู่พวกเขาก็อขออนุญาตต่อเจ้าและกล่าวว่าจงปล่อยพวกเราวไวเ้เถิด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 โดยที่พวกเขาจะทำนักอยู่ในนั้นตลอดกาลนั่นแหละคือชัยชนะอั น, นในหญ่หวงข้าจะแอมุ่งทีรูนมินในอาราบิยทีัลลหมูละั้อที่ั้ลทีนั้นีนั้นทร่นั้น่นั้นที่ลัี่นั้นทีนีนั้ี่นั้นทันทีนั้นี้นทั้นน้ที่นั่ั้นนั้น่่ันท่นั้น ได้มาซึ่งจะได้ถูกอนุมัติแก่พวกเขาบรรดาผู้ที่โกโหกต่อลลและหล่อสูนของพระองค์นั้นได้นั่งกันอยู่การลงโทษอันเจ็บแสบจะประสบแก่บรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาในหมู่พวกเขา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 ไม่มีทางใดที่จะกล่าวโทษจา่บรรดาผู้ที่กระทำดีได้และแลอร์นั้นคือผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมอวก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 แต่เสียใจที่พวกเขาไม่พบสิ่งที่พวกเขาจะบริจ <S <S um aya, าคอินนัมัลสตีลุอัลลอฺลลัดดีนยาสตีลุนักโวหุมอัลมิยารดูบีอันยะกูนูมะลขาวาร์ฟิวัตบัลลอฮฺอัลลอฺลูบิฮิมฟะหุมลาญัลลัมูนแท้จริงทางที่จะกล่าวโทษใดนั้นก็เพียงแต่บรรดา ผู้ที่ขออนุญาตต่อเจ้าทั้งๆที่พวกเขาเป็นผู้มั่งมีซึ่งยินดีที่จะอยู่ร่วมกับบรรดาผู้อยู่เบื้องหลังแต่เราได้สรงประทับตราบนหวัวใจของพวกเขาแล้วแต่นั้นพวกเขาจึงไม่รู้อะไรเลย <S <S ววาาาาลลลุลมลุมมมอูนนิิรรดยบพวกเขาที่ไม่ออกไปสงครามตะบุบจะแก้ตัวแก่พวกเจ้าเมื่อพวกเจ้ากลับมายัางพวกเขาชงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าพวกเจ้าอย่าแก้ตัวเลย เราไม่เชื่อพวกเจ้าหรอกแคาจริงแล้ทรงแจ้งข่าวคราวของพวกเจ้าแก่เราแล้วแัลล้อนั้นทรงเห็นการกระทำของพวกเจ้าและเราสูงของปโปรงเองก็เห็นด้วยแล้วพวกเจ้าก็จะถูกนํากลับไปอย่างพระผู้ทรงรอบรู้แห่งสิ่งเลึนลับและสิ่งเปิดเผยแล ะ, ปะโปรงก็ทรงแจ้งแก่พวกเจ้าให้รู้ถึงสิ่งที่พวกเจ้ากระทำกับ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 ดังนั้นพวกเจ้าจงผินหลังให้แก่พวกเขาเถิดแท้จริงพวกเขานั้นสกปรกโสมุมและที่พมณนักของพวกเขาก็คืนอนรกทั้งนี้เป็นการตอบแทนในสิ่งที่พวกเขาขวนขวายไว้ยอพวกเขาจะสาบานแก่พวกเจ้าเพื่อให้พวกเจ้าพอใจต่อพวกเขา หาพวกเจ้าพอใจต่อพวกเขาแล้วแท้จริงอันนั้นจะไม่ทรงพอพระไทัยต่อกลุ่มชนที่ถังชั่วาราบรวาาวรดาอารับชนบทนั้นเป็นพวกปฏิเสธศรัทา และพวกกลับกรอกที่ร้ายกาจที่สุดและเป็นการสมควรยิ่งแล้วที่พวกเขาจะไม่รู้ขอบเขตในสิ่งที่อลัลฮทรงประทานให้แก่รอซูลของปรุงและอลอนั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงปริชายาวามะอรรบดตุ และในหมู่อาอรับชนบทนั้นมีผู้ที่ถือเอาสิ่งที่ตนบริจาคไปเป็นข้าปรับและพวกเขารอคอยเหตุร้ายที่กำลังจะเกิดขึ้นแก่พวกเจ้าเหตุร้ายเหล่านั้นจงประสบแก่พวกเขาเถิดและอลัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรอบรู้ ومن الأعراب من يؤمن ب ا ل ل ه واليوم الآخر ويتخذ ما ي ن ف ق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة ل ه م س ي د خ ل ه م الله في رحمته إن الله غفور رحيم และในหมู่อารับชนบทนั้นมีผู้ศรัทธาต่อลอร์และวันประโลกและถือเอาสิ่งที่ตนบริจาคไปนั้นเป็นการใกล้ชิดกับอลาอร์และเป็นการขอพรของรอซูลพึงทราบเผิดว่าแท้จริงมันเป็นการทําให้ใกล้ชิดแก่พวกเขาอลาอร์จะส่งให้พวกเขาอยู่ในความเมตตาของพระองค์แท้จริงอลอร์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตาเสมอ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين ا ت ب ع و م بإحسان الرضي الله عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدًا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 <تصفيق> ومن من حولكم من الأعراب م ن ا ف ق و ن ومن أهل المدينة م ردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم س ن ع ذ ب ه م مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. และส่วนหนึ่งจากผู้ที่พำนักอยู่ ร, บรอบๆพวกเจ้าที่เป็นอาหรับชนนบทนั้นเป็นพวกกลับกรอกและในหมู่ชาวมาดีนะก็เช่นเดียวกันพวกเหล่านั้นดื้อรั้นในการกลับกรอบจะมุฮัมมัดไม่รู้จักคาดแท้ของพวกเขาดอกเราเอาลัลลอ์รู้จักพวกเขาดีเราจะลงโทษพวกเขาสองครั้งและพวกเขาจะถูกนำไปสู่การลงโทษอันยิ่งใหญ่ต่อไป ا آ ال และมีกลุ่มชนอื่นที่สารภาพความผิดของพวกเขาโดยที่พวกเขาประกอบความดีปะคนไปกับงานที่ชั่วช้า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 لم لم พวกเขาไม่รู้ดอกหรือว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงรับการสำนึกผิดจากวงเบาของโกรธและทรงรับการบริจาคทาน แ, แต่แท้จริงอัลลอ์นั้นคือผู้ทรงอภัยโทษ พูดส่งเมตาเสมอว่าุละูะลองุและผ้ะลกุละาวเรูลอมคุะผู้ับร่าพวกเู้าจลองลัะทำลองาุเแะบกอุและ้วเรูจะผู้ทำลูกของาุทำของและพรกเจ้าของ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 ว่าที่ฝรั่งเ า, าสหลังหนึ่งเพื่อก่อความเดือดร้อนและปฏิเสธศรัทธา และก่อการแตกแยกระหว่างผู้ศรัทธาด้วยกันและเป็นแหล่งซ่องสมสำหรับผู้ทำสงครามต่อต้านอัลลอ์และรอซูลของโพรงมาก่อนแน่นอนพวกเขาจะสาบานว่าเราไม่มีเจตนาอื่ในใดนอกจากสิ่งดีแล้วเรานั้นทรงเป็นพยานยืนยันว่าแท้จริงพวกเขาเป็นพวกกล่าวเท็จอย่างแน่นอน เจ้าอย่าได้ไปยืนร่วมละหมาดในมสัสยิดนั้นเป็นอันขาดแน่นอนมสัสยิดที่ถูกวางรากฐานบนความยังเกรงตั้งแต่วันแรกนั้น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 ค่ายอันมั่นอสบุญเลห์ว่าลูฟ ال ินหารินรา والله ลย่ดีลขมอัลผู้ที่วางราฐานาคารของเขาบนความยังเพลงต่อหรและบนความโปรดปรานนั้นดีกว่าหรือว่าผู้ที่วางราคฐานอาคารของเขาบนริมขอบเขว ที่จะพังทลายลงแล้วมันก็พังนำเข้าลงไปในนรกดีกว่าและอัลลอ์นั้นจะไม่ทางนำแก่กลุ่มชนที่อาธรรม อาคารของพวกเขาที่ข่อสร้างขึ้นมานั้นยังคงเป็นที่ระแวงสงสัยอยู่ในจิตใจของพวกเขาจนกระทั่งหัวใจเหล่านั้นจะแตกออกเป็นสิ่งสิ่งและอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงปริชาญอาินนัลลอฮ์อัลชาลินะอัลมุฮัมินีนั้นคุสะฮุมวละอ๊มวานละฮุมวละอ๊มวานละฮุมบ้อันละฮุมุัลจัน يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون و ع د ا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به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 บรรดาผู้กลับตัวผู้กระทำการพักดีผู้กล่าวคำสรรเสริญผูญ้ถือสินบนผู้รุกหัวผู้สุญูดผู้ใช้ทำความดีความอปราบให้ละเว้นความชั่วและบรรดาผูรษาขอบเขตของอัลลอ จงแจ้งข่าวดีแก่บรรดาผู้ศรัทธาเถิาาดมมไม่สมควรแก่นบีและบรรดาผู้ศรัทธาที่จะขอพยโทษให้แก่ผู้ที่ตั้งภาที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 การขอไพร่โทษของอิบราฮีมให้แก่บิดาของเขานั้นไม่ได้ปรากฏขึ้นนอกจากเป็นสัญญาที่เขาได้ไว้แก่บิดาของเขาตอนนั้นแต่เมื่อได้เป็นที่ประจักษ์แก่เขาแล้วว่าแท้จริงบิดาของเขานนั้นเป็นสตรูของอโลเขาก็ปลี่ตัวออกจากบิดาของเขาแท้จริง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 นอกจากจะเป็นที่ประจักษ์แก่พวกเขาซึ่งสิ่งที่พวกเขายังเกรงเท่านั้นแท้จริงอัลลอ์นั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้ทุกสิ่ง <S <S ي ي ي ي แท้จริงอัลลอฮ์นั้นอำนาจแห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดิน เป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์พระองค์ทรงให้เป็นทรงให้ตายและนอกจอากอัลลอ์แล้วก็ไม่มีผู้คุ้มครองและผู้ช่วยเหลือใดๆสำหรับพูกเจ้าแล้วแต่พระเจ้าจะลรงใบ้ผู้ฟี่ติดตามในชัลล่วโมงฟี่ยาิลำบาะ มิ بعد มักาดจะซีกกลุ่มฟรีคินมิ่หุมทัมม์ตาบะอัลลีห์มอินน์ห์บิหิมรอรมรุลาจิอัลลอนั้นทรงอภัยโทษให้แก่ท่านนาบับดชาวมัวฮายยรินและชาวอันซอร์ซึ่งเขาเหล่านั้นได้ปฏิบัติตามเขาในยามขับขันหลังจากที่จิตใจของกลุ่มชนหนึ่งในหมู่พวกเขา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 إ إ เราล็อกส่งอภพยาทษให้แก่ชายสามคนที่ไม่ได้ออกไปสงคราม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 โอ้ผู้สถธาทั้งหลายพึงยำเกรงอัลลอฮ์เถิดและจองอยู่ร่วมกับบรรดาผู้ที่พูดจริงแม้แก่เหล่า أهل เมดีเนต์แล هم ู้คนรอบข้าน أي يتخلفوا عن ا َ ر س و ل الله ولا ي َ غ ض و ا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا ولا مخمصون في سبيل الله ولا يطعون موطئي غض ي الكفار ي ي ไม่บางควรแก่ชาวมารีนะและชาวอาหรับชบนบทที่อยู่รอบๆจะพินหลังให้กับหลอดูญของพปร่งและไม่บางควรที่เขาเหล่านั้นจะวงชีวิตของพวกเขามากกว่าชีวิตของท่าหลอดสูญทั้งนี้เนื่องจากความกระหายน้ําก็ดี ความทุกข์ยากก็ดีและความหิวโหวยก็ดีเพื่อวันทางของอัลลอฮ์นั้นจะไม่ประสบแก่พวกเขาและไม่ว่าพวกเขาจะเหยียบย่างไปณที่ใดที่ทําให้พวกปฏิเสธศรัทธาตื้อโกรธก็ต่างและพวกเขาจะไม่ได้รับอันตรายจากศัตรูนอกจากการงานที่ดีจะถูกจารึกไว้แล้วสําหรับพวกเขาเพราะสิ่งนั้นแท้จริงอัลลอฮ์จะไม่ทรงให้หรางวัลของผู้กระทําความดีต้องสูญสิ้นไปเป็นอันขาด และพวกเขาจะไม่บริจาคทานใดๆไม่ว่าจะน้อยหรือมากก็ตามและพวกเขาจะไม่เดินผ่านพวกเขาใดๆนอกจากจะถูกบันทึกไว้ให้แก่พวกเขา เพื่อว่าอัลล์จะทรงตอบแทนให้แก่พวกเขาซึ่งสิ่งที่ดียิ่งในสิ่งที่พวกเขาได้ทำไว้วม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 โอภูสถาทั้งหลายจงสู้รบกับบรรดาผู้ที่อยู่ใกล้เคียงกับพวกเจ้าที่เป็นผู้ปฏิเสธสภาเสียก่อนและจงให้พวกเขาเหล่านั้นประสบกับความรุนแรงของพวกเจ้าและถึงรู้ทดว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงอยู่ร่วมกับบรรดาผู้ยำเกรงทั้งหลาย َإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَتُمْ فَمِنْهُمْ مَنْ, من يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّنَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ และเมื่อมีบทหนึ่งบทใดของอัลกุรอานถูกประทานลงมาดังนั้นในหมู่พวกเขาจึงมีผู้กล่าวขึ้นว่า มีใครบ้างในพวกเจ้าที่บทนี้ทําให้ความศรัทธาเพิ่มขึ้นสําหรับบรรดาผู้ศรัทธานั้นบทนี้ได้ทาให้การศรัทธาเพิ่มขึ้นแก่พวกเขาโดยที่พวกเขามีความปรีติยินดีว่ า, มมาอ และสําหรับบรรดาผู้ที่มีโรคอยู่ในหัวใจของพวกเขาบทนี้ก็จะยิ่งเพิ่มความสุขปรกให้แก่พวกเขามากยิ่งขึ้นไปและพวกเขาจะตายไปในสภาพของผู้ปฏิเศษสถาอาวลายร่วมอันหุมยุศนูนธีคุณ ล, ลิหามิมมรรชันเอามรรชัยนดุมมลายชูบูนวลาหุมยัดัก ร, รูน และพวกเขาไม่เห็นดอกหรือว่าแท้จริงพวกเขาจะถูกทดสอบในทุกๆปีครั้งหนึ่งหรือสองครั้งและพวกเขาก็ไม่ยอมกลับตัวและพวกเขาก็ไม่ยอมสำนึกผิดด้วยว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 a l ้ว h จิงทรงให้จิตใจของพวกเขาหันเห อ, ออกจากแนวทางที่ถูกต้องเพราะแท้จริงพวกเขาเป็นกลุ่มชนที่ไม่มีความเข้าใจอะไรเแล้วแต่จะจะคุมรัสูลมินอัมฟุซ um. ุมน ع ل ي ุ e มุมุ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 耐住。